ควาเกิดขึ้นหลักไปของความคิดอยู่ตลอดเวลานอกจากท่านจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดแล้วท่านยังจะสามารถรู้กิเลสและอารมณ์ที่จะเพิงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านความคิดเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่มายุษใหญ่ให้เราเกิดความยินดีและความยินร้าความคิดบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเฉยเฉยแต่บางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นที่พอใจเกิดความยินดี เมื l l ่อานรู้ว่าจิตของท่านมีความเย็นดีท่านก็รู้ทันทีว่าจิตของท่านกําลังจะมีแนวโน้มไปสู่ตารอัตจันตาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นท่านน่าไม่ท่านไม่พอใจเกิดความเจ็บร้ายขึ้นมาถ้าก็สามารถที่จะรู้ทันทีว่าจิตของท่านกําลังมีแนวโน้มไปสู่พิถวจันหาถ้าหากท่านเห็นในตาอัตันตาวิภวจันหาเืิดความเย็นดีเย็นร้ายทั้งสองอย่าง มันก็เกิดเป็นภวะตันหาเสมอในวิภาในจิตของท่านมีกามตันถาภวะตันหาวิภวะตันถาครอบอยู่ตลอดการความทุกข์และความสุขจะไม่รันเกิดขึ้นย่อมไม่มีในเมื่อความทุกข์และความสุขรังเกิดขึ้นข้างสุขใจทุกข์นั่นจะเป็นอาญาต่อให้ชนะให้เระมองเห็นว่านี่ทุกอริยสัจตาบุตขึ้นในจิตของเราแล้วในวิธีการกํหนดตัวจิตแต่อารมณ์ภายในจิต จะได้ผลลัพธ์กับเสื่อมเหล่านี้เพราะฉะนั้นข อ, อย้ำเตือนอีกทีหนึ่งว่าการภาวนานี้ต้องทำถิ่นให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่เพียงท่านกําหนดทำสติตามรู้การเดิเดินนั่งนอนรักษาถึงทำพูดคิดเพียงแค่นี้ทานอยาเคยไปคิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติผาน การทํำตติตามรู้การเดินเดินนั่นนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นของปฏิบัติจิตแต่การดูแล้วเป็นเรื่องเปิดเผถ้าจะเอาการจริงจังแล้วนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาจังง่ายกว่าแต่ว่าเพื่อเราเปิดการทำตติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มามพูดคิดถ้าการผู้ใดตั้งใจปฏิบัติกดำเนินตามแนวทางทางทิศเหล่ามาเรื่องนี้ เมื่อพลังแห่งสมาธิสติปัญญาของท่านกำเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะน้อม น, นำสมาธิระติติรติปัญญาไปใช้ในประโยชน์ได้ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมท่านสามารถที่จะใช้พลังสมาธิพลังสติไปกรนับสนุนเกิการที่ท่านทำอยู่ในชีวิตประจําวันโดยในขณะที่ท่านเดินท่านก็จะรู้การเดิน เวลาท่านทํางานสติสัมปชัญญะจะไปจดจ่ออีู่ที่งานว่าเวลาท่านเคลียสติสัมปจัญญะจะไปจดจ่ออยู่ที่ฝวามคิดไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติสัมปจัญญะเขาจะทําหน้าที่ของเขาทันทีซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในเร่เกี่ยวกับเรื่องใจเรื่องใจภายในถ้าสมมติว่า เราทำสติตามรูกการเดินเดินนั่งนอนรับทานถึงทำผู้ทิ่ตลอดเวลาจิตของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิต่อตามแต่เราจะได้พลังทางสติสัมปชัญญะเมื่อเราได้พลังทางสติสัมปชัญญะเราสามารถที่จะน้อมนำพลังจิตพลังสติปัญญาของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆใครปฏิบัติตามสมาธิตามแบบนี้จะเข้าในลักษณะที่เป็นผู้เตื่อน ไม่รู้จักแต่นั่งหลับกาสมาธิอย่างเดียวยังจะมองดูท่าตัวผืนแผเป็นของเราด้วยจะเป็นผู้ให้ทอดทิ้งประเทศชาติมือเย่งปฏิบัติภูมิจิตโกใจสูงขึ้นไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าไม่เบื่อต่อชีวิตไม่เบื่อต่อการงานไม่เบื่อต่อธุรกิจต่างๆไม่เบื่อโลกจะเกิดความเมตตาสงสารารู้มากยิ่งขึ้นถ้าครอบครัวใดเกิดเล่าของเล่าเนื้ ไม่ใสอยจะราาเริงเกิดทะเลาะเบาะแว้งบ่อยๆถ้าผู้สามีภรรยามาทำสมาธิเพื่อารจิตแนี้เมื่อพลังของสมาธิพลังสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความรักความเมตตาปราณีจะเกิดมีในกันแต่กันผู้ที่เป็นปิตามานตาจะมีความนักความปราณีในบุตรพิทาของตนเป็นอย่างมากผู้บรงทัปปัญชาจะมีความเมตตาปราณีต่อผู้ใกล้้บังทับปัญชา แล้วสิ่งพิเศษอางหนึ่งจะเกิดขึ้ น, นเราจะเป็นผู้เติดตัดสุดจริตต่อหน้าที่และเราจะไม่มองเห็นว่าโรคนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อนาเราจะมองเห็นว่าโรคนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้รู้ความจริงความจริงเราอาจจะเข้าใจว่าพราะพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาเพื่อหนีจากโรคแต่ความจริงพระองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้น เมื่อแต่สอนให้เราเรียนให้ศึกษาให้รู้ความเป็นจริงของโลกในบรรูปความเป็นจริงของโลกจิตของเราจะห น, นีโลกหรือจะอยู่กับโลกมันเป็นเรื่องของจิตซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติดังโพสภาเสตย์ไตรสูตรแห่งหลักแห่งนักทนเองที่นั่งจัดไว้ว่าเอธะตัสสิมังโลกันตังราเจรสุ ป, ปังเจตถาภารวิชีตันตินติสังโฆวิธานตัง เ ย, ยติตามสัญญเมตรันติพวกขันติมาละพันธน า, าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันพิจิตรปุจุรตราชัลสรงของพระราชาที่พวกคนเสาปกติแตอนให้ดูโลกไม่ได้หรือทไมก็อก้งองค์เป็นให้เราดูโลกเพราะโลกนี้เป็นสภาวัตรเป็นสภาวัธรรมที่แสดงปรากฏการณให้เรารูต้ตามจริงอยู่สเสมอ ที่พอเราทั้งหลายภาการหงโล ก, รกหรือภาการเบื่อโลกก็ยังไม่รู้ความจริงของโลกโลกทั้งหลายแล้งปวงที่มีที่เป็นอยู่นี้ความเป็นจริงของเขาก็คืออนิจจังทุกขังอนาาัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, าานัตการเองก็งโลกเป็นสภาวะทั้สศูนรวมแห่งสภาวะทัรงอยู่ที่พภายลอกคืออนิจจังทุกขังอนาาัตตาไม้เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตกา เพืพระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธศ า, าสนาเพื่อจะให้พุทธบริษัิตข้าพลังสิเพื่อจะให้กําหนดพิจารณาดูกฎความเป็นจริงของโลกจักรที่กล่าวแล้วให้รู้รวมลงไปสู่อนิจจโทุกรรมอนัตตาทูาศาศากสิ่งทุกอย่างมีแต่อนิจจโทกรรมอนาศาศาศาศาัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นปราบกฎจุลในเมา่อบูมาศึกษาปฏิบัติธรรมมารู้แจงเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาใครจะพอใจก็ตามให้พอใจก็ตามจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเขายอดเป็นไปตามกฎธรรมชาติจักรนั้นไม่มีใครห้าดได้อันนี้คือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกวันนี้ในปราสาทนะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาของท่านผู้เป็นพ่เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอโยติลงด้วยสตาร์ลัคนี แต่ในที่สุถานนี้จะขอถือโอกาสาแค่ข้อข้อใจขอมบรดานักปฏิบัติบางอย่างเคยได้เห็นมีผู้ไปถามว่าในเมื่อภาวาานาในตอนแตกตืตนจิตบบเป็นสมาธิมีปีติในมีความสุขเป็นอย่างนี้แต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วทำไ ม, มจิตมีแต่ความทุกข อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทําความเข้าใจโดยหลักวิชาการที่ท่านเขียนไว้ในแต่ท่านว่าเศีษฐอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตในเมื่อเรามีเศมีสมาธิมีปัญญากระชมรวมเป็นหนึ่งนะเด็กตัวเจตผ่างความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆเศษก็มีพลังงานพลังงานที่เด็ดที่สุดก็คือตัวสติ ในวิเศษณตมีสติสัมปัญญะประกอบเป็เจตติกิจอยู่ตลอดเวลาเจตย่อต้องการจะทำงานวิเศษณตมีสติสัมปชัญญะเจตมเจิตปีติเรื่อความสุขเพ่งเกิดขึ้นจากสมาธิเจตมเจิตปีติรความสุขเจตจึงต้อการทำงานเขาจะมีความเชืตลอดเวลา ดังที่มติของท่านอาจารย์เขาได้กล่าวว่าเวลานี่จิตของข้าไม่เคยสงบรรสักทีมีแต่ความคิดเราะจะนั้นถ้าท่านผู้ใดภาวนาในต้นจิตมีความสงบรรสมีปิติมีความสุขอย่างเหลือร้นแต่ภายหลังมาพอาหนดจิตลงเพียงนีดหน่อยพรจิตรู้สึกว่าสงบลงไปได้มีแต่ความคิดเกิดขึ้นอันนั้นเกิดจิตของท่าน เ, เริ่มจะเดินาที่ปัสสาวปัญญาเริ่มจะเกิด ในเมื่อเป็นเช่นั้นถ้าจะไปเสียอกเสียใจความที่เกิดขึ้นต้องให้ทําปติกําหนดตามรู้ตามคิดนั่นไปจนกระทั่งเจิตของท่านสามารถกําหนดจนกรตทังสติของท่านสามารถกําหนดดูการญญาของทาาาา่ท า, นงทานเองโดยอัตโนมัติเป็นการใ้ได้ในท่านหนึง่งมาถามว่า <c oughs> ในเมื่อปาริยกรรมภาวนาผูโ้โตผู้โตไปเจตบรมพลังลงไปทำบ่อยๆเข้า น, น, นอนไม่หลับตั้งตื่นจนเก่ดความองสัยตัวเองว่าจะเป็นโรคกระตัดแล้เที่ยวถามหมอให้หมอตรวจหมอตรวจแล้ก็ไม่รู้สมมติถานว่าท่านคนนั้นเป็นโรคอะไรอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นแกน่นักปฏิบัติโดยที่ผู้นคนอบรมสมาที่จนเครื่องตัวจนทำนิธนรดแล้วสมาธิของเขาจะมีอยู่ทั้งหลับตั้งตื่นแน่นอนหลับตรงไปแล้ว การนอนหลับของเขาไม่ใช่การนอนหลับจากเมื่อคิดไปอย่างธรรมดาพอหลับพุ่งลงไปแนละ้วตื่เกิดมีสมาธิจึงเกิดมีความตื่นอยู่ตลอดตื่นทําให้ผู้ภาวนาเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็สังเกตการ น, นอนไม่หลับย่อมมีความกระวนกระวายมีความอึดอัดลำพังตลอดตื่นที่นอนไม่หลับเมื่อตื่นขึ้นมาแนะล้วจะรู้สึกเมื่อยเปรียอเปี้โรย แต่การหลับด้วยสมาธิคือหลับลงไปได้จิตสว่างสวัยมีความรู้สึกตื่นอยู่ตลอดคืนแล้วเราก็เข้าใจว่าเรานอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงร่างกายเขานอนหลับจากสบายแต่จิตไม่หลับเพราะขันธ์ตัวนั้นมีสมาธิเสกเรื่องกันไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลังคืนแล้วความเป็นของนักสมาธิที่บางเป็นจิตจน กล้องตัวจะดึงสำนิ้ทำนานในการมาเป็นสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่างไปเข้าใจผิตจะไปจกใจร่างกายของท่านในขณะ น, นั้นหลับอยางสบายเพื่อปลมเดิมจากกล้อตงตัวเมื่อท่านเกิดขึ้นมาได้รู้สึกเปล่ากายเปาใจเตี้ยได้ปร่อยโปรร่างกายก็มาปลี้กับเปล่าหน้าตายย็บแย้แจ่มใสไม่หูกนึบินี่เคยหลับอาเธอ ผลของการทำสมาธิเพราะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่าสกใจและอีกขั้นหนึ่งเคยกล่าวว่าภาวนาผู้โตผู้โตผู้โธอยู่ดีๆพอจิตสงบลงไปเล็กน่อยมันจะพลังไปสวดภาษาทิบัปันท์ทอดเดพอสวดภาษาทินัปันท์ทอดไปสวดไปสวดไปจิตเกิดความสงบเอาไว้ขึน้นเลยกลายเป็นสมาธิ อันนี้ค่ะเดตุการณอย่างนี้เขายอ่อมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติในบางท่านในเมื่อกำหนดพิจรารณาพิจารณาผมผลเรลยบันหลังเป็นต้นเมื่อที่สงบลงไปแล้วแทนที่มันจะมาพิจารณาอยู่ที่ผมผลเรลยบฟันหลังอย่างเดิมมันกลับไปพ้นว่าพิจรารณาด้สายงานที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้ก็มีอ่านเป็นไปได้ ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้เมื่อมิจารณาตาจตตาสติคงผลได้จุเมื่อจิตสงบลงไปพิจารณาเรื่องการเรื่องการถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาตางรูปอย่าได้เข้าใจผิดว่าจิตของท่านเดินทางจิตโดยวิสัยมองจิตในเมื่อสงบลงเป็นสมาธิบรรลุถึงความเป็นเอกโดยธรรมชาติเองจิตเขาปฏิบัตตัวไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เขาจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างไรเรื่องของจิตเราจะมีอำ น, นาจควบคุมเขาได้เฉพาะเวลาที่เขาไม่สงบและไม่มีสมาธิในเมื่อเขามีสมาธิมีสติปัญญาดีแล้วเขาจะปฏิบัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรมโดยอันจจะตกนรกเพราะฉะนั้นใครเป็นอย่างนั้นอย่าไปตกใจอย่าไปเข้าใจวจ่าจิตของเราเดินออกนอกโลกนอกชาต <c oughs> ทีนี้บางท่านเมื่อภาวนาจิตสงบสว่างลงไปแล้วต่อไปเห็นภาพนิมิตต่างๆบา้เริ่มฝุ่นเป็นฝาโลเป็นธรร ม, มาตขึ้นมาครับในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะเป็นท่านจะไปติดใจหรือจะไปเหตุใจกับสิ่งนั้นนั้นถ้าอยากสมมติว่าท่านภาวนาเห็นภาพนิมิตถ้าท่านเกิดเหตใจขึ้นมา เหตุอท่านจะถอนจากสมาธิเมือ่อถอนจากสมาธิแล้วภาพนี้ท่านจะหายไปวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่งนั้นให้ท่านกําหนดหมายเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรูปของจิสิ่งและเรื่องของสติทาความรู้สึกไว้ที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนทาความรู้สึกสํารวมอยู่ในที่นั้น ถ้าท่านสามารถยักยังเอาไว้ไม่ให้สมาธิของท่านเปลี่ยนแปลงจิตของท่านเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเอจใจภาพนิมิตแต่สิ่งรู้นั้นนจะปรากฏ ต, ตัวอยู่ให้ท่านดูได้นานๆแล้วท่านจะได้สติปัญญาเพราะภาพนิมิตแตความรู้นั้นแล้วท่านภาวนาไปแล้วพิจารณาสุภาษมตธรฐาน ข, อนานข้อจิตระบบโลภขก็มีปลี่นเป็นเหมือนไปไม่เหมือนสีเล่าอะไรทํานองนี้ อันนี้จะเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงตามองกานท่านรู้เจขเ ต, ตเอ ข, ออของท่านั้านใดเป็นผู้กลมต้นมากลมต้นมาเพื่อกนัำสลุนความเจตของท่านเพาท่านกําลังพิจรารณาผมของเล็บปันหลังให้เห็นเป็นของปฏิบูลหน้าเโโ ส, สียผมต่อสุดไในเมื่อเจตของท่านสกบลงไปแล้วเจตของท่านกะแสดงความรู้ต้นมาให้ท่านรู้และท่านไม่ควรไปตกใจกับเหตุการณ์นั้น วิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์อางนี้ก็เพียงแต่ว่าทำสติกำหนดรู้ไว้สิจิจอยางเดียวไม่ต้องไปําเนินถึงสิ่งนั้นๆจะไม่ควรเอตใจเกิดใจเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จิตของท่านสรงแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏตัวให้ให้ท่านเห็นท่านรู้แในเหตุการณ์เกิดที่จะตพิ่ปรากฏเพิ่ประการขอท่านทั้งหลายจงกําหนดรู้ไว้ว่า สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นเจตเพียงอารมณ์เครื่องรู้ของจิต เ, เรื่องระลึกของสติผู้ปฏิบัติควรจะได้ทำสติคำรวมรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในเวลาการปฏิบัติที่นี้ถ้าหากสมมติว่าท่นพิจารณาอะไรไปกำหนดอะไรไปพอมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเอใ ด, ดขึ้นมาสมาธิสอน แล้วก็เกิดัำถามขึ้นมาว่านี่คืออะไรถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาท่านอย่าไปคิดหาคาต่อบให้ากาหนดรู้ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตคอยจ้องดูความคิดที่จะ เ, เกิดขึ้นในเมื่อความคิดอใดเกิดขึ้นก็ทกําสติตามรู้ไปรู้ไปในเมื่อท่านเผลอลงไปีิสัยจิตว่าคําตอบในแง่ที่ท่านสงสัยจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพผ่านและพึงประสบเพราะฉะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบตางให้กำหนดรู้ที่จิตเป็นเรื่องสำคัญให้ถือว่าสิ่งรู้สิ่งเห็นเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการภาวนา this n o า is not to take and to g ประสงค์ที่จะสร้างสติให้มีประสิทธิภาพมีพลังเ to have p ขึ้น จนกลายเป็นสติปัญญาสามารถที่จะดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติเป็นสติสีสามารถที่จะตามรู้กิเลสแต่อารมณ์ได้เป็นสติทิน่โยจะเป็นยาเข้าขอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์อะไรผ่านาาาวัฏฏาตาโอสถุกเรื่มตาใจหรือแให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสมาธิสติทิน่โยตัวนี้จะทำหน้าที่รู้เข้าเอาทันไม่หลความรู้ความเห็นนั้น และจิตของท่านจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องแห่งการปฏิบัติช่วยกระการัชนี้ในทายที่สุดนี้ตัวอนาจแห่งคุณตรีรัชนาตรัยด้วยความปรารถนาดีของท่านที่มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุลับผลนิพพานสินน่งใดที่ท่านตั้งปฏิญาณปราสนาเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตา ม, มนั้หมาที่ท่านปรารถนา โดยทัวกานทุกท่านโดยในย่าดำบรรยายมาบสมควรแก่ขข เ, เวลาช่วงประตาละศีะพน์เนธาวาละอาภูลาบาลิภุเรติสะสลัมเอวะเนวะิโตติลังเตตานังอุปปัตติ อิทธิสังปฏิสังขุมขันติภะเมวันะมิจตุสาเมปุเรนตุสังขปานจัโผปนารโชยธาภิโสติราชยธาสกีสิโยวิภัชันตุปะทะโลโควินตุาเทภวะวันตลาโยตุทิธิคาโยปาวะาทิวาตลาธิไรสนิจังุธาสังคิโนจัตาสมาวะอันติอยวันโลสุขัง Ha, h a